พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าเอ็ดลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกโวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8มิถุนายน2556หอบรมพระหลังสวดปาติโมกมีชื่อเรื่องว่าให้เป็นพระที่มีศีลวันนี้เป็นวันขุโบสด วันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2556เป็นวันแรง15คำ่ำเดือน6เป็นวันสิ้นเดือนของเดือน6ที่พวกเราฟังพระปฏิโมกจบลงจากครูนี้ ในหลักของพระพุทธศาสนาหรือว่าการปกครองคณะสงฆ์ไม่ว่าปกครองทั้งโลกทั้งทางโลกไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องมีกฎก็ต้องมีกติกาทางโลกเขาเรียกว่ากฎหมายทางธรรมอย่างพวกเราท่านวัดพอบินัยหรือศีล แต่ถ้าว่าเปรียบเทียบก็คืออันหนึ่งอันเดียวกันการที่จะอยู่ด้วยกันหลายๆคนต้องมีกฎกติกาพระสงฆ์ก็เหมือนกันที่จะอยู่ด้วยกันหลายองค์ก็ต้องมีกฎกติกาในการอยู่ด้วยกันแต่ถึงยังไงกฎกติกาของพระสงฆ์ก็ตั้งอ้างอิงถึงกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะตั้งแบบขวางแต่ถึงยังไงก็ต้องเหนือกว่าเหนือกว่ากฎหมายของเขา ต, ตัวอย่างเช่นซิกขาบทที่สองของปาราชิกภิกษุขโมยสิ่งของที่ของที่เจ้าของขขงไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาสุกต้องปาราชิกขาดจากการเป็นพระ สิกขาบทนี้เนื่องมาจากพระองค์หนึ่งไปสร้างวัดจู่ในเขตแขวงกรุงราชคฤห์พอสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปเอาไม้ในโรงไม้ของพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าพิมพิสารคือพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้า เป็นพระโสดาบันที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในขณะที่ท่านขึ้นคลองลาดวันแรกท่านก็ประกาศให้เหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนะี่ยแต่ในพระเจ้าพิพิษารท่านก็ประกาศว่าจะเป็นไม้จะเป็นน้ําจะเป็นทรัพยากรอ ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมอบให้กับพระสงฆ์หรือว่าให้กับสมณผู้ทรงศีลได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสมณผู้ทรงศีล น, นั้น น, นคือพระเจ้าปิมพิสารท่านประกาศแต่แตอนนี้พระ พิกสูองเนี้ยที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไปสร้างวัดขึ้นมาและก็ขาดไม้พอขาดไม้แล้วก็ได้ไปพูดกับเสมียนโรงไม้บอกว่าข้าพเจ้าต้องการไม้ไปสร้างเสนาสะนะทางเสมียนก็ถามว่าเป็นน้นเป็นไม้หลวงท่านได้รับอนุญาต จากพระเจ้าแผ่นดินนั่ยังก่อนที่ท่านจะมาขอผมให้ไม่ได้พระองค์นั้นก็ใช้เล่เหลี่ยมเล่เหลี่ยมชั้นเชิงปก็ได้รับอนุญาตแล้วถ้าท่านได้รับอนุญาตแล้วกัผมก็ไม่ว่าท่านจะเอาไปเอาไปสร้างได้พระองค์นี้นก็เลยขนไม้ไปสร้างเสนาสนะที่พักผ้าอาศัยของตนเอง พ อ, อเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพ์พิสารท่านก็มาตรวจบอกว่าไม้ในหลวงไม้มันมันบกพ่องที่ท่านจะเอาไปซ่อมเบียงวังท่านก็มาดูพอมาดูเออไม้ทําไมเป็นหมดไปมากถึงขนาดนี้พ่อะเหตุไรท่านก็ได้ถา ม, มเจมียนคนที่เฝ้าไม้อยูน่น่นคนที่เฝ้าไม้ก็บอกว่ามีสัมปณะสักยบุตรได้มาเอาไม้ไป สร้างวัดของท่านผมก็ได้ถามว่าท่านได้รับอนุญาตจากพระเจ้าเป็นทีหรือยังท่านบอกว่าได้รับแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็งงเหมือนกันเอ๊ะเราได้อนุญาตเมื่อไหร่วะเรามเมื่อก็เราไม่ได้อนุญาตนะไม้นี่อ้าวเอาเถอะข้าพระเจ้ามีภารกิจธุรกิจมาก จะได้จำหมดทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้อาจจะลืมก็ได้ที่อนุญาตให้แล้วตอนนั้นพราะนั้นขอให้นำพระคุณท่านเขามาพบเข้าไปเจ้าด้วยท่านมาพบแล้วข้าพเจ้าจะได้ถามท่านว่าได้อนุญาตเมื่อไรเขาก็เดนัดพระองค์นั้นมาผมมากันก็พร ะ, พระเจ้าปดินพระเจ้าพิมพิสาร ท่านเป็นพระโสดาบันเป็นลูกศิษย์ของพระ เ, เจ้าอยู่แล้วยึดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาบุญคุณโทษท่านก็รู้หมดทุกอย่างแล้วก็ถามว่าท่านพระภูเป็นเจ้าญาติโยมเนี่ยมีภารกิจธุรกิจมากอาจจะลืมที่อนุญาตให้พระคุณท่านใช้ไม้ในโรงไม้ของหลวงเพราะนั้นข้าพเจ้า ขอถาบท่านว่าข้าพเจ้าอนุญาตเมื่อไหร่ที่อนุญาตให้ท่านได้เอาไม้เอาไม้ไปใช้นั่นอะ่ะเพราะว่าข้าพเจ้าอาจจะลืมก็ได้เพราะนให้ท่านชี้แจงให้ข้าพเจ้าฟังดูซิพระองค์นั้นก็บอกว่าเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชวันแรกแก็ได้ประกาศออว่าน้ําก็ดีไม้ก็ดี ทรัพยากรที่เกิดในพื้นแผ่นดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอุทิศ ต, ต่อสมณะผู้ทรงศีลนําไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นแผ่นดินของข้าพเจ้าพระองค์อุทิศให้กับสมณะเพราะนั้นอาตมาคิดว่าพระองค์อนุญาตแล้วทั้งไม้ทั้ง ทรัพยากรที่ที่ทอาตมาได้นําเอาไปใช้พระเจ้าแผ่นดินก็จะบอกว่าท่านต้องฟังให้ชัดคำมรณะคว่าสมณ ะ, ะผู้ทรงศีลคำนี้เนี่ยแต่ท่านเอาลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะขะโมยท่านมาเลยอนุญาตจากผมก่อนลักษณะใช้เลเหลี่ยมขโมยชั้นเชิงอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ทรงศีลจะแล้ว แ่เาเธอยมอนุญาตให้คราวนี้ครั้งนี้ไม่เอาโทษแต่ท่านอย่าทำอีกต่อไปนะถ้าท่านถืนทำออกต่อไปนี่ก็แปลว่าโทษต้องมีโทษนะอันนี้ก็คือพระเจ้าเป็นดิมพระเจ้าพิมพิสารขาดโทษกับพระองค์นั้นพอพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลพระพุทธยาวว่าสมณะองค์เนี้ยท่านองค์นี้พระองค์นี้ ได้เอาไม้ในคลังหลวงเอาไปใช้สร้างกุฏิสร้างศาลาของตนเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินแบบมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงไม่ชื่อตรงที่พระเจ้าแผ่นดินพูดอย่างนั้นตัวเองก็เอามาเป็นเลน่เอามาเพื่อจะมาเอาไม้มาสร้างที่พักของตนเองแต่นี้ยพระพุทธเจ้าทราบขา่าวผมท่านเป็น ต้นศาสดาต้นพระพุทธศาสนาเรียกพระสงฆ์เข้ามาไปชุมพร้อมกันในเมื่อประชุมพร้อมกันแล้วพระพุทธองค์ก็ถามจริงไหมพิจุเธอทำอย่างนั้นพระองค์นั้นขรับสารภาพว่าจริงว่าได้ทำอย่างนั้นจริงจากนั้นท่านก็ถามตุลาการถามตุลาการคือพิพากษาอายการเรือว่าตำรวจผู้ที่ถือกฎหมายในกรุงราชคนั้น ว่าถ้าคนทําอย่างเนี้ยจะผิดมากขนาดไหนโทษหนักขนาดไหนคำว่าโทษประหารคํำนี้แหละขนาดไหนจะมาโทษประหารพอพระพุทธเจ้าท่านก็อ้างอิงถึงกฎหมายในบ้านเมืองเขาเหมือนกันพอเราไปอยู่ในบ้านเมืองเขาก็ต้องก็ต้องถามกฎหมายของเขา ตุลาการเก่าที่กเกษียณแล้วนะเขามาบวชเขาก็อ้างว่าถ้าว่าเป็นผู้ใดก็ตามข้าโมยสิ่งของของคนตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปโทษประหารกฎหมายเขาแรงอยู่นะสมัยนั้นโทษประหารเพราะพระพยยเจ้าเออเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เท็คสุขโมยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยราคาห้ามาสุขต้องปาราชิกขาดจากการเป็นพระอันนี้คือถ้าจะว่าไปแล้วก็อ้างอิงถึงกฎหมายบ้านเมืองด้วยพราะเราไปอยู่ในถิ่นฐานบ้านของเขาถ้าอันไหนก็ตามถ้ามันขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองแต่ว่าวินัยข้อนั้นก็ต้องอําหนวยอวย ตามกฎหมายบ้านเมืองเขาแต่โดยมากอย่างประเทศไทยของเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนาโดยมากกฎหมายจะเอื้อเลว่าเดินตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าหรือศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นหลักพบางครั้งศีลและวินัยของเราเล้ำหนา ก, กว่าแข่งคลัดกว่าแต่กฎหมายบ้านเมืองนั้น จังย่อหย่อนกว่ากฎระเบียบของพระสงฆ์มีมากต่อมากอย่างฆราวาสญาติโยมก็จะทานเวลาไหนก็ได้แต่กฎหมายของพระสงฆ์กฎระเบียบของพระสงฆ์ภิกษุกลืนกินอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปต้องปาจิตติแต่สําหรับฆราวาสเขากินได้ทุกเวลาแต่สําหรับพระสงฆ์จะไปทานตั้งแต่เที่ยงแล้วไปไม่ได้อันนี้คืออาหาร อย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละคือพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยนี่แหละอันนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกถ้าองค์ไหนกระทาผิดพระองค์ก็บัญญัติเรียกประชุมสงฆ์บัญญัติวินัยตั้งแต่สิก ข, ขาบทที่หนึ่งปาราชิกปาราชิกสี่สังคาที่เศษสิสามอานิยตสอง นกิยรปายิตตี3าปายิตี 30, ปิต 92, ปฏิเทชะดิย 4, สีเสกียวัตร7็รวมเป็น220นับทั้งอธิกรณะสมุทะเข้ารวมเป็น227รอว่าพระสงฆ์รักษาศีลสองสิ 7, สิกขาบทอันนี้ก็คือศีลมาในพระปฏิโมกศีลนพิสมาจารย์อีกต่างหากนี่แหละอันนี้ก็คือศีล ของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติอายศีนอภิสมาจารย์มากมายเป็นเป็นร้อยพันพันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่ก่อนที่จะพระพุทธเจ้าจะปรินิพานก่อนที่จะปรินิพานท่านก็สั่งเสียกับพระอา น, นุ์คณะสวงฆ์ว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วตถาคตปรินิพานไปแล้วผ่านไปแล้วสิกขาบทไหนที่หยุมหยิ่มที่ เห็นว่าพระสงฆ์เห็นว่าควรจะถอดถอนก็ให้ถอดถอนได้นะให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาได้ถอดถอนได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าสั่งเสียกับพระอานุ์เหมือนกันวันนั้นเมื่อวันสังคายนาพระพุทธเจ้าเมื่อสังขารนาเมื่อพระพุทธเจ้าพลินิพานไปแล้วเดือนหกเพน แล้วก็พระสงฆ์ได้ประชุมกันที่ถ้าสัตว์บรรณกูหากราชาคือที่ภูเขาเวพาลบันพศอันนั้นก็พระสงฆ์ก็ได้ประชุมหารือกันว่าที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียชิกขาบทเนี้ยอาบัตอาบัตเล็กน้อยเนี่ยอันไหนคือเล็กน้อยแต่ในขนาดพระสงฆ์ล้วนแล้วจะเป็นพระอระหันต์เป็นผู้ ม, มียานรัศนะ เตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพประตเป็นพระหรหันที่ทรงศักดิ์อันสูงส่งสุดแล้วมาพิจารณากันว่าอันไหนซิกขาบมดไหนที่พระพุทธเจ้าว่าให้ถอดถอนได้ลงปติกันซิอนาดพระสงฆ์เป็นพระหรหันเป็นผูออ้ล้วนแล้วแต่เปเตวิโชสละพิญโยเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรม ในกฎหมายบ้านเมืองแตกฉานรู้อดีตอนาคตดำดินบินปนได้ทั้งหมดพระหันห้ารอยรูปคณะนั้นยังไม่กาดยังไม่เป็นเอกฉันพอ พ, พิจารณากันแล้วไม่เอกฉันผลในสุดพระมหากัะสปะที่เป็นประธานส่งบอกว่าการจะถอนอย่างพวกเราพิจารณาแล้วไม่เป็นเอกฉันที่จะถอนกลุ่มไหน เพราะนั้นคงไว้ตามเดิมทั้งหมดดีไหมพระมาหาคตปะเสนอจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ใช่ควรจะเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีประโยชน์ทั้งหมดจึงได้บัญญตัติถ้าพวกเราถอนขึ้นมาเดี๋ยวคนลุ่มลุ่มรอนรอนสิ่งควรไม่ควรบางทีไปถอนสิ่งควรซ ะ, ะหรือปล่าสิ่งที่ไม่ควรเอาไว้ซะอย่างนี้ก็จะทําให้พระพุทธศาสนาไม่ราบรื่น เพราะนั้นเอาไว้ทั้งหมดพราะพุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็ต้องเอาไว้ทั้งหมดอาจจะไม่เกิดประโยชน์ในช่วงนี้แต่ก็อาจจะเกิดประโยชน์ในครั้งต่อไปเพราะนั้นคงไว้ตามเดิมอันนี้คือพระสงฆ์ที่ท่านได้ไประชุมกันสังฆายนาครั้งแรกที่กรุงราชกุที่ถ้าสัตตบรรณักูหาจากนั้นทำกวาวิชัชา จบพวินัยตั้งแต่สิกขาบทแรกจนถึงน้าเป็นสิกขาบทสุดท้ายพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้นั่งจดจำเสร็จแล้วก็บทบทวนกันนี่แหละสังขาร ย, ยนาครั้งแรกที่ทำศัตรบันกคูหาใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนจริงๆ จ, จะได้จบเกื้องพวินยัยพระสูตรพระอภิธรรมนี่แหละ อันนี้คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือพระสาวกในครั้งนุ้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งนุ้นท่านไม่ได้นิ่งดูได้ท่านไม่ได้มองเป็นอย่างอื่นท่านพยายามรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่จากนั้นก็ให้เป็นกฎกติกาเป็นข้อบังคับพระสงฆ์ให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบ ถ้าหาว่าองค์ใดก็ตามไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบอันนั้นแปลว่าพวกเป็นพระที่ว่าอร จ, จิตาผู้ไม่มีความละอายต่อบาปผู้ไม่มีความละอายต่อความชั่วเรือว่าอร จ, จีเพราะนั้นขอให้พวกเราพระทุกองค์ของพวกเราขอให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยรักษาพระธรรมวินยัยเหมือนเกลือรักษาความเค็มฉันใด พวกเราก็ให้รักษาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ฉันนั้นอันไหนมันผิดและอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้เคารพการอยู่ด้วยกันให้มีผู้น้อยผู้ใหญ่ให้เคารพอาวุโสพันเตการที่จะพูดอันไหนออกไปก็ขอให้ระเวังระวงแต่าหากว่าเป็นอยู่ภายนอก อย่างครูบาจานองไหนก็ตามที่เป็นพะระเถระมหาเถระหรือ น, นั้นไปนอยู่ภายนอกพวกเราที่อยู่อยู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยห้ามไปพูดก้าวกกลห้ามไปพูดร่วงเกินท่าน เ, าเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะได้กาบเพียนกับ อ, อะไรเป็นหน้าที่ของหลวงพอ่อแต่หลวงพ่อเป็นผู้นิสัย ไม่ก้าวร้าวอยู่แล้วต่อคู่บ้าาจารย์ต่อหมูพวกเพื่อนมีอะไรก็จะต้องพูดกันตามหลักเหตุและผลเว้นเสียแต่ฟังทำออกไปแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลอันนั้นก็รับไปได้อีกเหมือนกันแต่ถทามีเหตุมีผลแล้วก็ยอมรับในหลักเหตุผลคือหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักเราไม่ได้ถือว่าเรามีอาวุโสแล้วก็จะใช้อานาจอาวุโสไป บอกหให้พระที่น้องๆยอมรับเราไม่ใช่อย่างนั้นเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทาวินัยของเราเป็นหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราก็ต้องมองดูหลักพระธรรมวินยัยแล้วก็นำมาบอกกล่าวแล้วก็อ้างเหตุผลแล้วก็ปรึกษาหารือกันอันไหนที่จะเป็นธรรมอันไหนจะเป็นวินยัยอันไหนที่จะถูกต้อง ในการเป็นอยู่ชุมชนสังคมคณะสงฆ์ของพวกเราจะร่มเย็นเป็นถูกได้ก็ต้องปรึกษาปรารกันสรุปแล้วอย่างที่ผมเคยพูดกับพี่ได้สองน้องได้หนึ่งใครว่าพี่เขาเกิดกองก็แสดงความคิดเห็นสองอย่าง3ามอย่างได้กว้างขวางได้แต่น้องแสดงขึ้นมาอาจจะถูกความน้องพูดก็ได้พี่ก็ต้องฟังฟังภาษาของน้องพูดขึ้นมา อันนี้ก็คือจังหวัดพี่ได้สองน้องได้หนึ่งน้องก็คือแสดงความคิดเห็นขึ้นมาไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่พูดอะไรจะถูกทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเองเกิดขึ้นมาแล้วจะรู้หมดทุกอย่างเหนือกว่าใครทั้งหมดไม่ใช่แต่บางครั้งพวกน้องเข้ามาพูดเราก็ต้องยอมรับไม่ใช่เราจะรู้หมดทุกอย่างทั้งคดีโลกและคดีธรรมเป็นมาอยู่อย่างนี้เพราฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน เป็นพระสงฆ์ต้องเป็นผู้มีเหตุผลฟังเป็นผู้ฟังผู้ศึกษาและพวกเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะวันนี้เป็นวันอุโบสถก็ได้พูดเกี่ยวกับการเป็นมาของพิ น, นัยให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาตอนน่อไปสุดท้ายพระปฏิโมก